เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่เรื่องเก่าว่าแม้กระทั่งผู้ที่ทราบซึ้งในเรื่องไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา ม, มากก็จะทราบซึ้งในในพระพุทธเจ้าขนาดนั้นถ้ามรรคแรกคือโสดาปฏิมรรคทีนี้ตั้งคำถามว่าอ้าวถ้าเป็นพระอารหันต์หมดแล้วทรรมกิจกำหนดรู้เสร็จละสมุทัยเสร็จมรรคเจริญแล้วแทงตลอดพระ น, นิพพานแล้ว แล้วท่านเหล่านั้นมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอยู่หรือมีไหมเหมือนกันเะบอกว่าในบรรดาผู้ที่มีศรัทธามากที่สุดคือพระอรหันต์ผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าถึงที่สุดนะคือพระอรหันต์งั้นพระอรหันต์นี่อย่างอย่างบางรูปนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสัททินรีเนี่ยมีกำลังมากเจริญพุทธคุณแล้วท่านมีปีติมาก แล้วแม้กระทั่งปกติพระอรหันต์ก็ชอบฟังธรรมมีใจรักในการฟังธรรมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหันต์ก็ติดตามพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสำนวนว่ามีใจรัก ม, มีความสุขกับการบำรุงพระพุทธเจ้าหวังกันเถอะถ้าถ้าพูดถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยนะแต่ถามว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ในยุคหลังๆแล้วเป็นยังไงสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอรหันต์เหล่านั้นท่านจะมีความสุขในการกลาบพระเจดีย์ ตอนที่เงียบๆนะเจริญพุทธคุณแล้วไหว้พระเจดีย์ท่านจะมีความสุขกัะตรงนั้นแ่ะมีปีติมีพุทธคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะอันของเรานี้เจดีย์หลวงใครไปมีปีติปีพุทธคุณเป็นอารมณ์บ่อยนะอนุโมทนาด้วยเหนอ บ, นบรรลุรกิจประจำเห็นปีติใช่ไหมอ้อเห็นปีติใช่ไหมอ๋อเห็นปีติใช่ไหมอ๋อ คุณไม่ใช่ถามคุณคุณมีปีติหรือเปล่าก็มีเพราะว่าฟังพระธรรมจากพระอาจารย์นี่ไม่ใช่ตอนที่เห็นคุณหมอวันลบไปไหว้ข้าเดีเนี่ยคุณควรจะมีมคือมีปีติไหมที่เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าบเถิเราจะต้อ ง, อองจเจริญรอยตามมั่งให้แสดงว่าคุณหมอก็เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยที่ฐานุคติแกปัชิมัชนะตาชน อ้าวก็คนไปไหว้ก ah, ่อนก็เป oh, oh, ็นเรียกรุ่นร well ุ่นผู้นำใช่ไหมอ๋อตรงนั้นเป็นคําขอเข้ามากายเยนวาจาบจเซอ่านะวัตเนี่ยนพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหะตัวแปลว่าโดยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าได้ไปร่วมเกินพระพุทธเจ้าว่างั้นใช รู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะขออดโทษเนี่ยนะขอให้พระผู้มีพระภาคอดโทษเนี่ยนะเพื่อความสํารวมระวังต่อไปตรงนั้นเป็นคําขอเข้ามาไม่ใช่เป็นคําบูชาเนี่ยนะเหมือนกับว่าฉันนี่ไปล่วงเกินอย่างใดอย่างหนึ่งต่อต่อพระพุทธเจ้าเอาไว้เนี่ยนะก็ด้วยกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ไปขอโทษคือด้วยเหตุผลอย่างอื่นเช่นว่า ไม่ปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพเป็นต้นนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ก็พลุ่งออกมาอย่างนั้นนะเกิดเกิดไปสำนวนว่าขัดคอพระพุทธเจ้านะหรืออาจจะคิดตำหนิใ น, ในใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าเทศแบบนั้นคลๆนึกไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าสอนสูตรใดสูตรหนึ่งเนี่ยนะก็อันนั้นเนะี่ยขอเข้ามาได้เลยไม่ควรจะขอไม่เลยเนี่ยนะ เพราะว่าบางคนเนี่ยนะเวลาอ่านพระธรรมเนี่ยบางทีอาจจะไม่สมมนัสไปทุกสูตรใช่ไหมดีไม่ดีก็นึกว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นบ้างตำหนิอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเนี่ยนะซึ่งซึ่งตัวเองยังไม่ทันได้พิจารณาให้รอบคอบเลยแต่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นความคิดอันนั้นถามว่าก็เป็นลิ่มสลักเหมือนกันที่ที่ที่สกัดไม่ให้เราเนี่ยเจริญในในในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคือคือปกตินะ ผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคโอรสนี่แปลว่าผู้ที่เกิดจากอกของพระผู้เท่เจ้าคือยินดีที่เหมือนเหือนอ่ยนะสำนวนวนะ่ายินดีที่จะออกจากอกของพระผู้เท่เจ้าทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะให้อุ่นจริงหรือเปล่าะถ้าสงสัยอย่างนี้แล้วนะเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เป็นบุตรนี่ได้ไหมมันก็ลดลงไปแล้วสําหรับผู้ที่นึกตําหนินึกรังเกียจนึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ก็เสียหายมากเนี่ยนะ ทีนี้ไอความเสียหายเหล่านั้นนะไม่ไม่มีอะไรนะเพราะอาวิชามันปิดบังไว้หมดเลยว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วมันเสียหายตรงไหนเนี่ยนะปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายอาวิชานี้หุ้มห่อไว้เบ็ดเสร็จหมดแนะจะไม่รู้อะไรจะคล้ายๆกับว่าชีวิตข้างหน้าต่อไปนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่มีโอกาสรู้เลยนะและอกุศล ท, ท, ทั้งหลายที่ทําไปกรรมทั้งหลายที่ที่จะเกิดขึ้น ที่อาศัยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะต้องไปทําบาปทําอกุศลต่อไปเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปทํากรรมอะไรต่อไปอีกบ้างเดี๋ยนะบางทีเราอยู่อย่างเงี้ยตอนที่ทุกอย่างมันดีหมดเราก็คิดว่าเราไม่มีโทสะใช่ไหมพอไปได้ปัจจัยบางอย่างเข้าเอาโทสะก็เกิดทีนี้ชีวิตมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แนะนําเรื่องความดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะ ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนนี้แล้วถ้าไปเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเราจะสํารวมกายวาจาใจาไหมก็ไม่ไม่สํารวมแล้วพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าเอา้าพระองค์แสดงว่าสมมตินะปาณาติบาตผลตรงตรงอ่ะทําให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกหรือเปรตเดรฉานเนี่ยนะเสร็จแล้วผลอย่างเบาทําให้มีชีวิตสั้นเราก็บอกไม่น่าเป็นอ ย, อย่างนั้นหรอกเขาก็ทํากันเยอะแยะไปหมดเลย อ น, นสมมตินะรู้สึกต่อต้านตั้งกับฟังแล้วสมมติถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่ที่ทั่วๆไปนะที่มันบีบคั้นเนี่ยเราจะควรจะตัดสินใจแบบไหนเราจะเอาศีลเอาไว้หรือว่าจะทาปาณาติบาตมันก็ล่วงปาณาติบาตเพราะไม่ได้เห็นคุณของการรักษาศีลไม่ได้เห็นโทษของการล่วงศีลตั้งกระแรกอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ชีวิตของสัตว์ก็ ถ้าว่าหน้าการุณาเนะจริญกรุณาให้ได้เลยไ ม, ไม่ไม่ผิดหวังอย่างในเทีวิสุทธิมัคศีลนิเทศเนี่ยนะพูดถึงโทษของผู้ทุศีนบอกว่าไม่มีใครที่หน้าเจริญกรุณาให้เท่ากับคนล่วงศีลหรอกเหมืนกันนะถ้าถ้าจะเทียบจะเจริญกรุณาให้นะพวกที่ประโยค้วิบัติทั้งกายะประโยค้ที่วิบัติวจีประโยควิบัติมโนประโยควิบัติและทิฏฐิวิบัติ จะด้วยวิบัตทั้งทั้งทั้งหลายเหล่านี้นะก็น่าสงสารมากถ้าเทียบกับคติวิบัติที่ที่เห็นเห็นอยู่กับผู้ที่มีประโยคน์วิบัตนะอันไหนน่าสงสารกว่ากันสมมติถ้าเห็นเดรัจฉานตัวหนึ่งคติวิบัตเนี่ยนะเห็นอีกพวกหนึ่งรูปไม่งามรูปไม่ดีพิการอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าอุปธิวิบัตเนี่ยนะหรือเกิดในสมัยข้าวยากหมากแพงคนเดือดร้อน อันนั้นเป็นการลวิบัติถ้ามาเทียบคำถามว่าทุกอย่างดีหมดเลยแต่ประโยคาวิบัติกายกายก็วิบัตวิวจีก็วิบัติมโนก็วิบัติทิ่ฐิก็วิบัติถามว่าทั้งหมดนั้นใครน่ากรุณากว่ากันไอคนที่กำลังวิบัติเนี่ยน่ากรุณาที่สุดเนี่ยนะทั้งกายประโยคาวจีประโยคามโนประโยคาทิฐิวิบัติคนพวกนี้น่ากรุณาที่สุดเนี่ยนะก็ ทำไมจึงน่าการุณาเพราะว่าเขากำลังจุดเริ่มต้นแห่งทุกข์เข้ามาแล้วเนี่ยนะอยู่คติที่ดีอยู่แล้ ว, ลวก็กลายเป็นกลุ่มประเภทสว่างมาแต่ว่ากำลังจะมืดไปเนี่ยนะกลังจะมืดไปาฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนั้นในความถูกต้องแล้วอะสั์ทินซีเนี่ยไม่ควรละทิ้งเลยเนี่ยนะ แต่ทีนี้ที่ที่เขาบอกว่าเออไอ้นั่นมันศรัทธาที่ไม่มีปัญญาคือหมายคำว่าไปดิ่งโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากแล้วเสียหายอันนี้ไม่มีเสียเนี่ยนะถ้าศรัทธาในพระธรรมมากนะจะไม่มีเสียหายศรัทธาในพระสงฆ์จริงๆก็ไม่เสียหายอันนี้สงฆ์จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือคือสงฆ์เนี่ยคือใครคือคู่แห่งบุรุษสีค่คู่นับเพียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ คือเหมือนว่าโอ้โหคลั่งคล้ภาษาริบุตรมากอย่างเงี้นยนะแม้ถ้าสูตรภาษาริบุตรและชอบมากเป็นพิเศษนะถ้าอย่างงี้จะไม่มีเสียแต่ถ้าไปเลื่อมสายในลูกชาวบ้านอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก่อนเข้าก่อนนั้นเขาก็เป็นลูกของเราทั้งเราทั้งหลายเลยแหละก็เข้ามาบวชเข้ามาบวชอาจจะดีบ้างไม่ดีมัง่งก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไปไม่ได้ใช่ไม่ใช่พระรัตนะตรยัยแต่ถ้าท่านปฏิบัติดีก็อาจจะเป็นหนึ่งในพระัตนะตรยัยเนี่ยนะคือหนึ่งถ้าถ้าท่านปฏิบัติดีนะ แต่อย่าลืมว่าพระสงฆ์ทั้งหลายในฐานะที่เป็นจริงของท่านคืออะไรคือผู้ปฏิบัติดีกับเป็นนาบุญเนี่ยนะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นผู้สอนในฐานะศาสดานี้กลับเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมในฐานะศาสดากลับเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องแยกแยะในในส่วนเหล่านั้นะนั้นให้ออกทีนี้ถ้าพื้นฐานในการแยกแยะและเจริญคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ อ่นหรือความเข้าใจไม่เพียงพอถามว่ามีผลไหมมีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นลิมสลักเจริญกุศลธรรมทำยังไงก็ไม่เจริญงอกงามเนี่ยนะเราก็จะมาตั้งคำถามว่าเอเราก็ฟังอริยสัจ ท, ทำไมเราไม่บรรลุอย่างงี้นะก็คำถามประเภทนี้จะเข้ามาซึ่งว่าถึงทำยังไงมันก็ไม่ได้บรรลุอยู่แล้วเพราะรอะไรเพราะไม่ได้เกิดการเจริญให้ให้มันถูกต้องอ่ะนะ เหมือนกับการหลอมระครังทองให้ระครังเงินระครังอะไรที่จะให้มันเสียงดีะนะเดี๋ยวเอาดินไปใส่บ้างเอาตะกั่วไปใส่บ้างเอาอิดไปใส่บ้างแ ะ, นะ้วแล้วก็เอามาล้อมเป็ดแล้วมาตีดูทําไมมันไม่ดังอะนะก็ก็ไปโทษนั้นก็ไม่ได้นี่นะซึ่งในยุคนี้ถ้าเอาพระไตรปิฎกมาเทียบเทียบดูแล้วคนเสื่อมจากพระรัตนตรัยมากนี่นะซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ถามว่าน่าเศร้ามากๆเลยคือรู้ว่า ถ้าคนไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าไปคิดถึงใครเอาก็คิดถึงอาสาบุรุษถ้าไม่คิดถึงพระธรรมเขาคิดถึงอะไรก็คิดถึงเดรฉ า, านกระถาเนี่ยนะถ้าเขาไม่คิดถึงคนปฏิบัติ ด, ดีเขาก็คิดถึงคนปฏิบัติชั่วถ้าเขาไม่ชื่นชมกายสุจริตก็ไปวิพากวิจาร์แต่เรื่องกายทุจริตเนี่ยนะถ้าเขาไม่ชื่นชมวจีสุจริตก็มานั่ง ชื่นชมกับว่าจีทุจริตเนี่ยนะถ้าไม่ถ้ารังเกียจมโนสุจริตก็ไปชื่นชมในมโนทุจริตมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ผลมันก็เห็นชาติอยู่แล้วเนี่ยนะอคือที่เห็นชาติเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดสังวรทางกายวาจาไม่ค่อยดีทางใจก็ไม่ค่อยดีถ้ากายวาจาใจไม่ค่อยดีก็เป็นปกติชีวิตของพวกแห่งแรงทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็คือไม่มีความสุขหรือท่าสมเนียนว่า โรคขาดความอบอุ่นทางความคิด้จะนะจิตเ อ, อ้วยหัวตลอดเลยั้งนั่นถ้าขาดความอบอุ่นทางกายเขยังชั่วหน่อยนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าห่วยหิวทางกายเขยังชั่วมันหวยหิวทางใจเนี่ยมันลำบากบางนันแด่ผู้หวยหิวทางจิตวิญญาณว่างนันนะ แห้งแห้งจริงๆเชืช่อไหม ไ, ไม่ต้องรอเมตาหรอกฝนตกนี่แหละจิตมันแห้งแล้งบอกนะแต่แต่ก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าเรามาเจริญคุณของพร ะ, ะเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะแล้วเราไปเทียบกับตอนที่ไม่ได้เจริญเลยนะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะเป็นจิตมันไม่มีที่พึ่งไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะ พันการศึกษาพระธรรมคำสอนถ้าหากว่าที่ใดก็ตามถ้าห่างเหินละเลยในการศึกษาคุณของพระตนะตรัยนถึงจะเรียนธรรมะหมวดไหนอยู่ก็ช่างเถอะให้รู้ได้ว่าเดินตามทางแห่งความเสื่อมโดยทายเดียวถามว่าทำไมเพราะว่าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติอย่างถูกต้องในพระาศาสนานี้ จุดมุ่งหมายก็คือต้องการเป็นหนึ่งในพระรัตนตรายใช่ไหมถามว่าเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของพระัตนตรายด้วยใช่ไหมจึงจึงจึงปฏิบัติธรรมผูกก้การว่ามันเป็นไหมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรายหมยจึงปฏิบัติธรรมนะลองวิเคราะห์ดูว่าเป็นยังไงเป็นส่วนไหนบ้างในอนาคตจะเป็นสังรัตนะอ๋อในอนาคตจะเป็นสังรัตนะ ปรารถนาธรรมรัตนาะคือคือต้องการให้จิตธรรมดาเนี่ยเป็นมัคคจิตและผลจิตนี่ต้องการพระธรรมเนี่ยนะผู้ที่มีมัคคจิตและผลจิตเหล่านั้นเรียกว่าพระสงฆ์เนี่ยนะผู้ที่ได้มัคคจิตผลจิตถือว่าเป็นทายาท จ, จากพระพุทธเจ้าสายตรงว่างั้นเหรอเนีนะ่เป็นเรียกว่าเป็นผู้รับมรดกสายตรงเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าศึกษา แม้กระทั่งการพูดคุยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องกุศลอกุศลเรื่องจิตเจตสิกรูปอะไรทั้งหลายแหละที่เรียนทั้งหมดจุดมุ่งหมายก็เพื่อเพื่อตรงนั้นแต่ถามว่าถ้าไม่ได้เป็นไปตามแนวนั้นล่ะท่านแนะนำว่ายังไงรู้ไหมคือคือถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายชี้ไปเพื่อจุดนั้นนะอัตกถาอลระคัตถูปะมะสูท่านบอกว่าไปนอนเถอะเห็นไหม เพราะว่าหลับเร็วน้อยกว่าเยอะเนี่ยนะมันจะได้ไม่บาปเนี่ยนะเพราะว่าขณะหลับเป็นชาติเจ็ดชาติอะไรวิบากเนี่ยนะเนี่ยนะก็ก็ถ้าเทียบแบบทั่วๆไปนะโสดาปฏิพลเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าที่ปตายของพระเจ้าจักรพรรดิ เนี่ยนะคือคือพระเจ้าจักรพรรดิมีรัตนเจ็ดมีจักร น, นะมีจักรรัตนะเป็นต้นปกครองแผ่นดินมีทะเลเป็นขอบเขตเนี่ยนะก็คือสรุปไม่มีรั้วเลยว่างั้นใช่แผ่นดินนี่เท่าทะเลว่างั้นเพราะฉะนั้นครอบงําทั้งที่พื้นดินทรัพย์ในดินทรัพย์ในอากาศหมดเนี่ยนะมีอานาจพัดจักขึ้นสวรรค์ได้แต่บอกว่านั่นไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสบหก คือเอาสเอาเอ า, เอาสมเอาโดาปฏิมักนะั้มาหารสหก่อนแล้วเอาหนึ่งในนั้นะ่ะมาหารสบหอีกครั้งหนึ่งอธิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ได้เท่าส่วนเสี่ยวตรงนั้นเลยเห็นั้นโสดาปฏิมักนั้นเป็นคุณที่ที่ยิ่งใหญ่มากทีนี้เราจะทีนี้ลองก็มาลองว่าคนที่สแสวงหาสมบัติจกักรพรรดิละง่ายไหมคือสแสวงหาทรัพย์แบบโลกโลกนะง่ายไหม คือทรัพย์แบบทางโลกถ้าถ้าคนนามาหากินโดยชอบทำจริงๆจะรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่ได้เกิดมาง่ายนะเนะีถ้ายิ่งนะแบบคล้ายๆในยุคที่ข้ขาวยากหมากแพงเศรษฐกิจฝืดเครื่องด้วยนะรู้ทันทีเลยว่ารัพย์ภายนอกไม่ใช่เป็นของหาง่ายอ่าแล้วทซั์ภายในล่ะเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นของหาง่ายเหมือนกันเนี่ยนะก็เป็นของหายาก ส่วนหนึ่งของอรลถกัณไปิการฝึกตนนี่มันยากจริงๆเลยเพราะจิตจิตอมันฝยากเลยที่ท่านกล่าวไว้เนี้ก็สื่มากฝึกช้ามันง่ายมันยากเท่าไหร่ให้ฝึกจิตมันยากจริงๆมันดิ้นรนมันสาลักพัฒยากจริงๆถ้ายังฝึกไม่ได้ยาหวังอะไรยาหวังไปเจริญนะคือถ้าฝึกจิตไม่ได้มันก็ พ้นทุกข์ไม่ได้อยู่แล้วคือพระรัตนตรัยเนี่ยนะที่เราชาวพุทธนับถือคือในฐานะว่าถ้าเข้าถึงจุดนั้นแล้วพ้นทุกข์ได้เนี่ยนะคือถ้าหากว่าไม่เข้าถึงจุดนั้นก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่ทีนี้การถึงจุดที่ว่าก็ต้องมีมรรคาหรือที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเนี่ยนะมรรคาคือข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระรัตนตรัยเนี่ยนะคือนับเนื่องในในรัตนสามเนี่ยนะ รถออกจาก บ, บ้านมานัตั้งใจว่านะจะต้องเป็นเลขขำเาวิตกให้ได้ย่างได้ย่างนี่นีน่เป็นเลขคัดๆก็เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเมื่อมีสัตว์มีบุคคลเป็นอารมณ์ก็มักจะตรึกมาในเรื่องของอกรุณาสนาสมาบัิของพระพุภาพว่าสัตว์ทั้งหลายเดียบ้อนะ นี่เราลองมาย้อนว่าไอไอการการเจริญธรรมะจริงๆนะโดยรวมๆอ่ะการปฏิบัติธรรมอ่ะก็คือการเจริญอินสีห้าถ้าว่าไปนะคือข้อแรกก็คือเจริญศรัทธาสองวิริยะสามสติสี่สมาธิเนี่ยนะห้าก็ ปัญญาเนี่ยน ะ, ะถ้าถ้านับโดยศีลสมาธิปัญญานะพวกนี้เป็นสมาธิอันนี้เป็นกลุ่มศีลอันนี้ก็กลุ่มวิปัสสนาเนี่ยนะทีนี้ถ้าเอาองค์ธรรมมาแยกมาจับนะว่าถ้าศรัทธาเนี่ยนะทินสีก็เห็นที่โสตาปฏิยังฆธรรมสีเนี่ยนะ โสตาปฏิยังฆ่าธรรม4คืออะไร 1. คบสัตบุรุษ 2. ฟังธรรมของสัตบุรุษสามโยนิโส 4. ธรรมานุธรรมะปฏิปติเนี่ยนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่โล ก, กุตระธรรมเนี่ยนะเกว่าเปคือธรรมะตัวแรก หมายถึงโลกุตระธรรมะตัวหลังนี้หมายถึงไตรสิกขาอันนี้ก็เข้าถึงไตรสิกขาเพื่อเพื่อโลกุตระเนะหมพนแล้วก็ที่จะเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งม่ถ้าเราคบพระรัตนไตรามากพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องอะไรก็ศีลเห็นไ เธอควรพูดอย่างนี้นะถ้าจะว่าโดยศีลก็ว่าโดยทวารเช่นว่าทวารนะจะเรียกทวารแปดก็ได้พุทธพจน์ว่าความสำรวมจากขุยยังประโยชน์ให้สําเร็จเนี่ยนะความสำรวมหูเป็นอยังประโยชน์ให้สําเร็จสำรวมจมูกลิ้นกายกายนี้แบ่งออกเป็นสองโจปะนะกับภาษาท่ ก็โจปนะนี่หมายถึงกายกรรมคือหมายถึงวินยัก ท, ที่ที่ล่วงออกมาเนี่ยนะกับกายภาษาธะคือที่เรียกว่ารู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ากลุ่มกายภาษาทะแล้วก็สํารวมวาจาแล้วก็สํารวมใจเนะนี่ยนะก็เลยเรียกว่าแต่ถ้าไล่มาตั้งแต่ตาหูจมหนึ่งต า, ห 1, ตา2หู3มจมูก4ี่ลิ้นห้ากายหกวะ กายมีสองอ่ะนะก็เท่ากับทวารเนี่ยนะ ส, สังวร8เนี่ยนะเพราะการการการฟังการศึกษาอะไรทั้งหลายก็เพื่อเพื่อให้รู้จักสังวรในทวาร8สังวรโดยศัพ์แปลว่าปิดปิดบาปนะแต่ว่าเปิดอยู่เหมือนกันเปิดบุญเนี่ยนะสังวรนี่แปล ว, ว่าปิดบาปแล้วเปิดบุญ เนี่ยนะไม่ใช่ว่าปิดหมดเลยหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรพักอย่างเนี่ยนะไม่ใช่สังวรในที่นี้หมายถึงว่าปิดบาปแล้วก็เปิดให้บุญเนี่ยจเจริญมากขึ้นอันนี้เป็นสังวรอันนี้ก็เป็นสัตทินรีใช่ไหมทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยคือสัตทินรีทีนี้ถ้าไม่ไหวจริงจรเจริญไม่ได้ก็เนี่ยครบสัตร์บรุษเนี่ยก็คืออนุสติทั้งหลาย ก็เอามาเจริญจะได้เหมือนว่าใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้มากขึ้นนะที่เรียกว่าสัตบุรุษเนี่ยนะทีนี้ถ้าวิริยะล่ะวิริยะท่านก็แ บ, แบ่งแบ่งออกเป็นสองเนี่ยนะคือฝ่ายละกับฝ่ายเจริญเพียเ น, นี่ยนะเพียอย่างหนึ่งคือเพียรละสองเพียนเจริญธรรมะฝ่ายดำมีอยู่ ธรรมะฝ่ายขาวมีอยู่เนนไธรรมะมีโทษมีอยู่ธรรมะไม่มีโทษมีอยู่เห็นไธรรมะที่เป็นอกุศลมีอยู่ธรรมะที่เป็นกุศลมีอยู่ก็เพียนละธรรมะฝ่ายดำมีโทษธรรมะที่เป็น อกุศลเพียรเจริญธรรมะที่เป็นฝ่ายขขาวไม่มีโทษเป็นกุศลที่ชี้ชัดมาเลยคืออกุศลวิตก3กลุ่มนี้ควรเพียรละเพียรเจริญก็คือกุศลวิตก3 ม, มีเนกข ม, มวิตกเป็นต้นอันนี้ต้องใช้ความเพียรเนี่ยนะใช้เรียวแรงของบุรุษว่างั้นเถอะ ใช่เรี่ยวแรงของบุรุษความบากบั่นของบุรุษคือสตรีใดถ้าทำแบบนี้เขาเรียกว่าบุรุษเหมือนกันนี่นะไม่ใช่จำกัดเเดี๋ยวก็คุณภาะไรบอกเออของผู้การเขาเงี้ยนะแย่เลยนะนะสเสร็จแล้วถ้าสติละ่ะกายสิบสี่บัพพะเวทนาเก้าจิต สิบหกธรรมะห้ากลุ่มเนี่ยนะก็ถ้าจะเจริญสติก็ก็เจริญตามนี้ทีนี้ถ้าเจริญสมาธิละ่ะก็แบ่งเป็นกลุ่มกะสินสิบอาสุภะสิบเนี่ยนะอนุสติสิบพรหมวิหารสี่ อาหาเรอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งแล้วก็จะโตธาตุหนึ่งอารูปกรรมฐานอีกสี่อารูปฌานสี่ก็จะเป็นกลุ่มสี่สิบเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปัญญินรีก็ขันอายตนะธาตุสัจจะ อินทรีย์ปฏิจจ์เครื่องอาหารสีเป็นต้นเพราะฉะนั้นทำยังไงให้จิตเป็นไปกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้อันนี้เขาเรียกว่าพรหมจรรย์ความประพฤติอันประเสริฐในาศาสนานี้เนี่ยนะเรียกว่าความประพฤติแบบแบบประเสริฐเนี่ยนะ แต่ถ้าบำเพ็ญในส่วนเหล่านี้สำเร็จก็อย่างว่าอันนี้ส์ก็คืออินทรีห้าที่บุคคลเจริญได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็อย่างลงอ ม, มะตะมีอ ม, มะตะเป็นที่สุดเนี่ยนะก็มีพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นเองทีนี้ถ้าเราก็ลองย้อนมาหาว่าทั้งหมดเนี่ยสุตะเราดีมาขนาดไหนที่จะเจริญนะยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะเจริญศรัทธา ผู้ที่เป็นสัตว์บุรุษคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรารู้จักพระองค์ขนาดไหนข้อสองพระธรรมของพระองค์คือพระไตรปิฎกเราฟังมามากขนาดไหนข้อสแล้วเราคิดตามได้มากขนาดไหนเนี่ยนะข้อสี่ไปปฏิบัติตามสมควรไหมเนี่ยนะอันนี้ถ้าถ้าหมายถึงการเจริญศรัทธาทีนี้อย่างที่สองนะเรื่องวิริยะ เราฟังมาถึงโทษภัยของอกุศลขนาดไหนโดยสุตะนะแล้วเราฟังเรื่องกุศลเนี่ยมีดียังไงบ้างฟังมาเพียงพอเห็นคุณอย่างอย่างพอไหมนนีอย่างหนึ่งถ้าเป็นสตินะสติปัฏฐานกายานุปัสสนาทั้งสิบสี่บัพพระเจริญบริษิคือหมายว่าโดยสุตะนะเพียงพอไหมเวทนาเก้าจิตสิบหกธรรมะห้า เนี่ยนะเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสายสมาธินะเรามีอะไรมาบริหารเป็นปกติอัธยาศัยจเจริญกรรมฐานอะไรเป็นเป็นอัธยาศัยที่จะหล่อเลี้ยงเสร็จแล้วถ้าโดยปัญญาล่ะวิปัสนาภูมิทีนี้ไอ้คำว่าขันอายัตนะธาตุพวกนี้มันต้องไปคูณ40นะคืออันนี้จะโตเป็นต้นเหนะหรือเอาแบบอนุปัสนาเจก็ได้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะ ไม่ใช่ว่ารู้แต่ขันอย่างเดียวแล้วโอ้ชั้นวิปั ส, สนาแล้วนะไม่ใช่หมายถึงว่าไปโดยอเออเนี่ยขันเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นต้นนะการไข้ ค, รควรแบบนั้นจึงเป็นปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าโดยพิสดารศึกษามาดีคนนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์คือสุตตะเนี่ยนะเป็นความไม่จนในาศาสนานี้อันดับแรกเนี่ยนะคือคือสุตตะอ่างนั้นใช่ทีนี้ สุตะนี้ปกติเป็นอาหารของอะไรทั้งหมดนี้นะถ้าเรียนรู้มาอันนี้เป็นอย่างดีเป็นอาหารของศรัท ธ, ธาเ้าบอกว่ามีศรัท ธ, ธาไหมพอไหมถ้าศรัท ธ, ธานี่จึงเป็นอาหารของอะไรนะโยนิโสใช่ไหมศรัท ธ, ธาจึงจะเป็นอาหารของโยงนิโสเหโยนิโสก็เลยเป็นอาหารของ สติสัมปชัญญะคือสติสัมปชัญญะเนี่ยสติคือระลึกใช่ไหมสัมปชัญญะคือรู้ทั่วระลึกอะไรก็ระลึกทั้งหมดเนี่ยไอที่เรากำลังทำอยู่พูดอยู่คิดอยู่เนี่ยมันเข้ากับอะไรบ้างในนี้เป็นตัวตรวจสอบอันนั้นเป็นตัวสติเนี่ยนะแล้วก็สัมปชัญญะก็คือจัดแจงให้ปฏิบัติตาม สมควรแก่ธรรมะนั้นๆแล้วสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของบางในก็พูดถึงเป็นอาหารของหีริโอตตะ ป, ปะหิริโอตตะ ป, ปะเป็นอาหารของอินซีสังวรอินรีสังวรเป็นอาหารของสุจริตสุจริตจึงจะเป็นอาหารของ ตัวกุศลนั้นๆที่เกิดขึ้นคือตัวกุศลที่จะมาะโดยอันนี้โดยพูดถึงโดยการฟังะนะเสร็จ แ, แล้วจิตของเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้เรียกว่าสติประทานก็ได้หรือจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาก็ได้